ต้นไซกับต้นอ้อณชายทุ่งแห่งหนึ่งมีลําธารขวางกั้นระหว่างชายทุ่งทั้งสองริมฝั่งลําธารด้านตะวันออกมีต้นไซ ส, สูงตระ n า g านต้นหนึ่งขึ้นอยู่ริมน้ำไ่ต้นนี้เป็นที่รู้จักกันในละแวกนั้นว่ามีความงดงามสมส่วนทั้งขนาดลําต้นใบ และกิ่งก้านสาขาจนชาวบ้านในละแวกนั้นต่างคิดว่ามันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาบทำให้ทุกวันจะมีผู้แวะเวียนมากราบไหว้ต้นไรอยู่เป็นประจำความที่มันได้รับแต่คำสรรเสริญเยิอนยออยู่ไม่จบสิน้นทำให้มันกลายเป็นไซผู้หลงตนคิดว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีอานาจ และยังหลงในความยิ่งใหญ่ของตนทุกวันมันจะแผ่รากและอวดใบกับสายลมคุยโวถึงแต่ความดีงามของตัวเองเสียงดังลั่นนีน่เจ้าสายลมเจ้าพัดผ่านมาแถวแวกนี้ทุกวันเห็นมีใครหน้าไหนใหญ่โตสง่างามเท่าข้าบ้างมิงละ่ะสายลมเบื่อในความหลงตนของต้นใสเต็มประดา ฉันชอบพัดผ่านทางด้านโน้นมากกว่านะฉันชอบเล่นกับพงอ้อผู้่มตนนะ่ะเขาไม่ค่อยจะพูดมากหรอกเราเล่นซ่อนแอบกันสนุกสนุกตนใส่รู้สึกอิดชาพงอ้อขึ้นมาทันทีไหนลองบอกข้าสิว่าพงอ้อที่เจ้าพูดถึงนะ่ะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอ๋อพวกเขาน่ะตัวเล็กๆล็กน่ารัก ใบของเขาก็เรียวยาวสวยงามอย่าบอกใครเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเวลาต้องลมนะแต่ข้าแน่ใจว่าถ้าเป็นเรื่องของความสง่างามและใหญ่โตต้องเทียบข้าไม่ติดแน่ๆว้าหใครบอกความสง่างามที่แท้จริงนะ่ะไม่ได้เป็นเรื่องภายนอกอย่างที่ท่านพูดเรานะรู้ตัวไหม ท่านน่ะกำลังหลงเหมือนอย่างที่พวกชาวบ้านเบาบัรยากำลังหลงกราบไหว้ท่านอยู่นะเจ้า ช, ะ ช, ะชะิดชอบาพคอเลาะหายเสียจริงก็มาส่ประมาทข้าบอข้ามาสมาักดีๆว่าความสง่า ง, งามที่เจ้าพูดถึงน่ะอยู่ตรงไหนบาให้เอาบุญนะความสง่า ง, งามที่แท้จริงจะออกมาจากภายในจิตใจที่อ่อนโยนถอมตน รู้ไหมคนที่ดีจริงน่ะเขาจะไม่ประกาศความดีของตัวเองหรือก้าชมตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวต้นไซโกรธสายลมจนคนแทาไม่ไหวตัวมันสั่นไปทั้งต้นได้แต่กางใบกระแทกสายลมจนเสียงดังสนั่นยิ่งโกรธแรงขึ้นใบของต้นไซก็สั่นแรงขึ้นจนใบร่วงหล่นเต็มพื้น สายลมได้แต่หัวเราะแล้วก็จากไปกลางดึกของคืนวันหนึ่งเกิดพายุกล้าพัดกระนำ สนใสสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธประกาศกองไปไปไปหน้าไหนกล้าดีมาพวนข้าดึกๆด่นานนี้ฮ่าๆ่่าข้าเองนี่แหละเป็นเจ้าแห่งพายุข้าเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมานานทีปีหนถึงผ่านมาแถ่งนี้ตื่นมาก็ดีแล้ว จะได้มาเจราจากันเดี๋ยวจะหาว่าข่ารังแกเด็กว่าไงจะย่อไม่ข้าพัดผ่านไปซะโดยดีไหมน้อยเน่ขกาดียังไงมวัว ด, ดีกับขา้ารู้ไหมว่าข้าน่ะยิ่งใหญ่หวัใครในละแวกนี้ทั้งหมดมองดูที่ลาต้นข้าสิเห็นไหมละ่ะ จ้าวไหวบูชาพ้อเจ้าเพลงก็จงน้องหัวคารวะข้าซะโดยดีชักเจ้าใส่หลงตนเจ้าคิดแล้วว่าความใหญ่โตของเจ้าน่ะจะทานกำลังข้าได้ร้ายมันจะกลับนำอันตรายและหายนนมาสู่ตัวเจ้าเองด้วยเอาละถ้าจะไม่ตอล้อตอเทียงกับคนโง่เสียเวลา เอาเป็นว่าถ้าเจ้าไม่ยอมให้ข้าพัดผ่านซะโดยดีก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็นแล้วกันออกมาเลยข้าไม่กลัวว่าแล้วต้นไทรก็ยืดลำต้นขึ้นพร้อมแผ่กิ่งก้านสาขาตรงานเพื่อหวังจะทานอำนาจลง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจบลงด้วยการที่ต้นไทรทานแรงพายุไม่ไหวจึงหักโค่นลอยน้ำไปติดอยู่กับพงอ้อที่ชายตลิ่งของอีกฝั่งหนึ่งเชา้านี้ต้นไทรตื่นขึ้นมาด้วยความสลึมสลือและอ่อนแรงมันแสนอับอายในสภาพของตัวเองอย่างยิ่งเมื่อมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมา ก็พบกับพงอ้อที่สายลมเคยพูดถึงมันรู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งที่เห็นรอยยิ้มต้อนรับอันอ่อนโยนจากเหล่าพงอ้อและที่มันแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือต้นอ้อทุกต้นยังคงความสมบูรณ์ไม่หักไม่งอแม้แต่ต้นเดียวมันจึงถามแก่พงอ้อว่าเมื่อคืนนี้พายุจัดพัดเราจนหักโค่นร้อยน้ามา พวกท่านล้วนแต่เป็นไม้ต้นเล็กๆแต่ละต้นละต้นของท่านเทียบกับกิ่งของเราก็ยังไม่ได้เหตุฉไฉนท่านจึงยังยืนต้นอยู่เป็นปกติดีทั้งหมดหรือว่าพายุไม่ได้พัดมาถึงที่นี่กันเล่าพงอ้อจึงตอบว่าอ๋อพายุพัดมาถึงที่นี่เหมือนกันแต่พวกเราเป็นไม้อ่อน ลมพัดกล้าเราก็เอนรูปตามลมปล่อยให้ลมพัดข้ามเราไปซะลมจริงไม่พัดเราหักโค้นไงต้นใส่ได้ฟังดังนั้นจึงเกิดสำนึกขึ้นในใจว่าเห็นจะจริงดังที่สายลมเคยเตือนหงออเหล่านี้ช่างแลลมคมด้วยปัญญาแถมยังอ่อนโยนน่านับถือยิ่งนักถึงตัวเราเป็นต้นไม้ใหญ่โตซะเปล่า ได้แต่หลงลาพองไม่รู้จักพรันพันหลีกเลี่ยงลมกล้าตั้งหน้าต้านลมอยู่อย่างเดียวลมซึ่งมีพละกําลังแรงกว่าเรานักก็ต้องพัดเอาเราโค่นล้มเป็นธรรมดาดูต้นอ้อเหล่านี้สิถึงเป็นต้นไม้เล็กกระจ้อยแต่รู้จักพรันพันหลบหลีกปล่อยให้พายุพานพ้นไป ก็เลยไม่ต้องหักโค้นเหมือนต้นไม้ใหญ่ผู้ทนงตนเช่นเรานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความนอบน้อมถ่อมตนรู้จักเจียมตนเป็นธรรมของผู้ฉลาดในขณะที่ความหยิ่งทนงตนไม่ยอมไกล เอาแต่ยกตนของท่านดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นนอกจากจะเป็นกิริยาที่น่ารังเกียจต่อผู้พบเหตุแล้วคนเย่อหยิ่งเมื่อเดือดร้อนมักจะต้องประสบความโดดเดี่ยวและต่อสู้ตามลำพังต่างจากคู่นอบน้อมและรู้จักผูกมิตรย่อมเป็นที่รักดังพงอ้อนั่นเองในทางที่ถูกคนเราควรเคารพเชื่อฟัง อ่อนน้อมยินยอมและปฏิบัติตามธรรมเนียมที่เหมาะสมถึงคราวควรอ่อนก็ต้องอ่อนถึงคราวควรแข็งก็ต้องแข็งรู้จักปรับตัวให้ถูกกับกาลเทศะและบุคคลไม่ใช่เพียงเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นนะคะแต่เพื่อคงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีต่างหากค่ะ